ทำต่อกันอีกย่ำกันลำดับลำนำห้องจอมันคืนล่วงไปล่วงไปแบบนี้เราทำอะไรอยู่วงเจาเท่านำเข้าไม่ยั่งยืนต้องมีสติไปในกายตูกเกาไว้ฝังเอาไว้ เหมือนเผือกเหมือนบันอยู่ในดินถ้าเผือกถ้ามันหัวเผือกหัวมันหรือต้นไล้อยู่ในดินมีรากบักลงมันดินต้นไม้ก็จะเิญเติบโตไปเรื่อยๆเผือกมันที่มันอยู่ในดินก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆชีวิตของเราก็เช่นกัน ถ้ามีสติไปในกายไปในใจก็เกิดบ้างเกิดผลจะได้พ้นจากบาปอกุศลถ้าไม่มีสติไปในกายไปในใจเหงื่อแห้งเกิดบาบเกิดผลแห้งแรงเหี่ยวแห้งไปมรรคผลเหี่ยวแห้งไปเหมือนต้นไม้อยู่ในดินต้องวันจะเหี่ยวเฉาตายไปในที่สุด ชวิเราต้องเป็นมรรคเป็นผลศาสนานี่เป็นศาสนาแห่งมรรคผลไม่ใช่เรื่องบุญธรรมดาศาสนาไหนก็สอนเรื่องบุญแต่พุทธศาสนาสำนักโคโดมนี้สอนเรื่องมรรคเรื่องผลที่สุดแห่งชีวิตน่าจะฐานแห่งชีวิตจึง เพื่อการนี่โดยตรงผู้ที่เห็นภัยแห่งการเหี่ยวแห้งแห่งมรรคผลยงเพียนพยายามเรียว่าบรรปลายิตผู้เห็นภัยแต่ใครก็ตามเห็นภัยเรียกว่าผู้นั้นเป็นบนรรปลายิตภัยของเราคือเกิดเก็เจ็บตายตอมเจเท่านำเข้ามายั่งยืนย่อมพัดผ้าจากของรลกของชอบใจทั้งนั้น เรามีกรรมเป็นของของตนเราทำดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่วเราทำอะไรกันอยู่หลงหรือว่าลูกถ้าหลงก็ชีวิตฟรีไปแล้วถ้าลูกก็พอจะมีประโยชน์เป็นกรรมดีถ้าหลงก็เป็นกรรมชั่วไปหอบหิวไปเหมือนน้ำแข็งไกลขี้เก็บ มันจะเสื่อมไปเรื่อยๆชีวิตของเราต้องมีหลักมีสติไปในกายไปในจิตก็กจะเห็นนักเห็นผ ล, ผลเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตใจตามความเป็นจริงจนเห็นบ่อยๆเป็นรูปทำเป็นนามธรรมทิ้งที่เกิดขึ้นกับรูปเป็นอาการ ที่เกิดขึ้นกับนามเป็นอาการอาการต่างๆก็มีเหตุเกิดขึ้นหูของได้ยินเสียงก็มีเสียงเกิดขึ้นถ้าไม่มีชานาญเรื่องนี้ก็จะหลงพัดไปในเสียงเป็นวัตถุต่อวัตถุสัมผัสกันเข้ากังเหราการเกิดขึ้นถ้าไม่มีสติก็มี สมมุติบัญยัติบัญยัติลงไปให้จบได้โอ้ที่ยินเสียงเราไปไกลเห็นโลกะะเป็นเปรตเป็นสุรกายก็ได้เพราะเกิดจากเสียงเกิดจากลูกเกิดจากกลิ่นเกิดจากรสแั่มีรสชาติโลกนี่มันมีรสชาติ ตากับรูปก็มีรสชาติหูกับเสียงก็มีรสชาติจมูกกับกิ่นก็มีรสชาติต่อถึงใจกอารมณ์ก็มีรสชาติสัตว์โลกยังติดรสชาติเหมือนปลาติดเบ็ดก็เป็นทุกข์เป็นโทษความทุกข์ก็ติดได้ความโกรธก็ติดได้สัตว์โลกเนี่ย ส่วนทุกข์นอนอยู่กับชีวิตข้ามวันข้ามคืนไม่รู้จะปลดปล่อยเพราะไม่รู้ทางจนต่อความทุกข์จนต่อควาโกรธจนต่อควาหลงไม่เป็นอิสระชีวิตเราต้องอิสระชีวิตไม่มีภยัยแต่เนี่ยเราจะมาดูให้เกิดมา่เกิดผลนักคือดูเห็น ดูแล้วก็ต้องเห็ น, เ ห, นเห็นแล้วก็ไม่เป็นจบไปแล้วเห็นสุขไม่เป็นผู้สุขจบไปแล้วไม่ไปไกลทำเองไม่มีใครช่วยเราถ้าเราผิดตรงนี้ก็พลาดไปเสรแล้วไปหวังให้คนอื่นมาช่วยเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราบางคน เห็นหน้าลูกหน้าหลานสั่งไล่ให้มันบวชหากูด้วยทำบุญให้กูด้ว ย, วยนาแตกงนี่เงินก้อนนี่เอาไว้เป็นเงินเบี้ยเผาผีเอาไว้ทำบุญเอาไว้เผาผีผจนตั้งจาปัญจิตพุ่นวัยเป็นเดือนใหญ่วหวังรวยเมื่อตายไปแล้ว แต่เ ป, เ, ปเป็นอยู่ทำไมจึงไม่ทำเอาเอาชี้ไปห้อยไปเขปียนไวยอาศัยใครไปผิดศีลอะไรข้อไหนจึงจะต้องเป็ น, ปนให้ผู้คนอื่นทำบุญให้อุทิศให้มีแต่พวกปรเชตูปชีวีที่รอบุญจากคนอื่นพวกปรเชตูปชีวีนี่เป็นคนบาป แต่นคนไม่มีความสามารถที่จะทำความดีได้มันหลงก็ปล่อยให้หลงมันโกรธปล่อยให้โกรธเพราะนี่มีหวังไจปจบและชัตูปชีวีต้องเสวยวิบากกรรมจนกวดจะพ้นโทษพ้นภัยจะหาที่เกิดสมาหบุญเพราะบาปกรรมของตนเองทำบาปเปงยทำเหมองเอง จะต้องเป็นอย่างนั้นหรือต้องเสีย่ยงนั้นเลยชีวิตเราไม่สมกับควรเป็นมนุษย์ให้เราชำนี้ชำนาญเรื่องนี้ไม่ต้องบาดเฉยใครมันหลงเองเปลี่ยนหลงเป็นลู่เองมันโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเองมันทุกข์เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เองนี่พวกนี้ไม่เป็นเปลนอยศัตรูประชีวีเนี่ขีดทางให้เราเส้นทางให้เราเดินไปได้ นั้นหลงไม่หลงตามกันข้ามไม่ไปทางหลงไม่ไปทางทุกข์ไม่ไปทางโกรธไปคนลนทางจนชำนาญในเช่นทางเป็นมากเป็นผลแต่เป็นพระชิตูปชีบีนี่นี่แสดงว่าไม่คุ้มค่าที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นจัตประเสริฐ ต้องอให้คนอื่นทำผลที่ถ่ายไม่ใช่ยึดเราต้องแม่นยําชัดเจนเราทาได้ปฏิบัติดได้ให้ผลได้มันโกรธไม่โกรธได้มันทุกข์ไม่ทุกข์ได้มันหลงไม่หลงได้ด้วยฝีมือของเราด้วยการกระทําของเราถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่สำเร็จ ความหลงไม่สาเร็จสักทียังหลงอยู่ความโกรกก็ไม่สาเร็จความทุกข์ไม่สาเร็จมีกายก็ใช่กายไม่เป็นมีใจก็ใช่ใจไม่เป็นเอากายเอาใจไปห้อยไปแฉนไม่กับสุขกับทุกข์สุขทุกข์อันอื่นยื่นให้ดูลดกิ่นเสียงสมผัสอารมณ์นันเป็นโลกกรรมำลาบยศสรรเสริญ เห็นเาได้เสียชีวิตไม่ไปห้อยปไปแขียนไปอย่างนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่ชีวิตชีวิตจริงๆมันไม่เป็นอะไรกรับ็อิสระนี่อิสระคือไม่เป็นอะไรเราจะเป็นผู้ที่เราความชั่วทำความดีไปมันเลย ออวัวจากเดือนไม่เจียเ่ยวข้องโดยเดือนแล้วำงงทำฉงกันตามที่สวดแต่งกองทุกนี้จะปรากฏช็ดเจริญเานี้การของเราตามตามรอยอุทิศแจรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทําอย่างไรจึงได้ชื่อว่าเป็นลูกเจ้าเราก็มาทําอยู่นี่มีสติเป็นในกายนี่มีกายไหมมีสติไหม สร้างได้ไหมความรู้เนี่ยประกอบได้ไหม <Okay. S 1> ต้องไปยืมไปกู้ใครมาหาใครมาเอามายืมมาจากใครเรามีมนุษย์สมบัติ <Okay. S 1> พ้อมที่ใช้ได้ <Okay. S 1> เสีงเต่อ <Okay. S 1> หายใจเข้าก็รู้ได้ก <Okay. S 1> ายเป็นวัสดุป ร, กรณกอผิดความรู้ <Okay. S 1> ใจเป็นวัสดุป ร, กรณกอผิดความรู้ได้ <Okay. S 1> อย่าไปใช้ให้ผิดประเภท อย่าเอากายไปผิดความหลงไปผิดความทุกข์อย่าเอาใจไปผิดความหลงไปใช่ผิดความทุกข์กันโทษมันก็ผิดเราจะมาใช้ให้เกิดความรู้เนี่ยเหมือนมือห้านิ้วสิบนิ้วของเราสร้างปัจจัยสี่ให้เกิดขึ้ น, นเพื่ออาศัยได้มีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคมีอาหารการกิน เราสร้างได้คิดของเราเนี่ยต่ที่บาดได้ให้ผลได้ตายของเรามาผิดความรู้ขึ้นมาเป็นทรัพย์ภายในมาผิดทรัพย์ภายนอกก็มีได้ทรัภายในไม่มีใครรับมรดกจากใครมาต้องท า, าเองส่วนตัวของใครของมันดรวอว่าทาบุญเอา ทำดีเอาไม่ใช่ทำบุญหาให้คนอื่นทำบุญหาคาว่าหามันคืออะไรหามันเสียไปแล้วหาได้คืนไหมอะไรที่มันเสียไปหามันนั่นอะไรว่ายวิธีที่โลกกำลังทำกันอยู่ทำบุญหาทำบุญให้อย่างพอได้อยู่ พ่อแม่เรานั่งอยู่นี่อะไรที่จะให้พ่อแม่มีความสุขจากการใช้ชีวิตอันนี้ทําให้ให้กินอะไรให้อยู่ยังไงตื่นขึ้นมาดูที่นั่งที่นอนของพ่อของแม่อะไรมันไม่ดีทั้งไมันดีอันนี้ทําบุญให้ให้ได้ทันทีจะไปรอให้เขาขาย นาขายเล่ยมาทำบุหามันไม่สมควรเราต้องทำบุญเอาดีที่สุดอยากได้ดีก็ต้องทำดีอยากได้ดีไม่ทำดีมีอยู่มากดีแต่อยากข่างไม่ทำนะหน้าคำเนาอยากได้ดีต้องทำดีอย่าดีรอดีแต่ขอรอจะดีมันก็ไม่ดี เราแต่ดีน่นตายไปแล้วให้ลูกให้หลานทําบุญให้มันไม่ใช่การทําบุญเอามันหลงรู้เอาแล้วได้รู้จากหลงแล้วมันโกรธรู้ได้รู้จากโกรธแล้วมันทุกข์รู้ได้รู้จากทุกข์แล้วทําบุญแล้วดีกว่าความโกรธไม่ดีกวามไม่โกรธเป็นดีกว่า ความทุกข์มันไม่ดีความไม่ทุกข์มันดีกว่าจริงไหมเรื่องนี้อย่ามาเชื่อเคยสัมผัสเอาเคยสัมผัสไหมหรือว่าโกรธพีๆหลงผีๆทุกฟ์ผีๆไม่เคยสัมผัสควมไปโกรธในขระที่มันโกรธล้วก็ไม่เอาสักทีพลาดไปเสฉลแล้วพลาดไปเสฉลี่ยวผมโกรธไปกินผี มทุกข์ไปจินฟรีผมหลงไปจิตรีห้าด้านที่สุดเลยเลือกไม่เป็นไม่สมกับความเป็นมนุษย์จะคิดจะจริงไงให้ให้ทำดูสัมผัสดูไว้สอนให้คิดไปบอกให้คิดบอกให้ไปทําำสอนให้คิดสอนให้รู้ใครก็สอนได้ เรามีความรู้กันทั้งนั้นดูว่าทุกไม่ดีโกรธไม่ดีมันก็ยังทุกข์กันอยู่ยังโกรธกันอยู่มันนั่นไม่ใช่ความรู้ต้องทําให้มันเป็นหัดให้มันเป็นมีสติเป็นในกายจนเป็นอันเดียวกันอะความรู้นี่ชีวิตทั้งหมดเป็นความรู้สึกตัวไปทั้งหมดเลยทีเดียว ไม่มีส่วนไหนที่อันตรึดเลถ้ามันเป็นแล้วปฏิบัติได้แล้วมันเป็นแล้วจะหายใจก็คือความรู้สึกตัวจะเกินตัปมลายจะพลิบตอจะเคลื่อนจะไหวคือความรู้สึกตัวมันเป็นแล้วมันเป็นไปแล้วมันเป็นทั้งหมดแล้วชีวิตทั้งหมดเป็นปักเป็นผลแล้ว ที่ือกก็หลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้ต่อไปไม่ต้องเปลี่ยนมันจะเป็นไปเองเรียว่าปะลินญาชำนาญยาตปยาปริญญารู้แล้วอัญญาสิอัญญาสิรู้แล้วอัญญาคือรู้แล้ว อะไรที่ไม่รู้ไม่มีในกายในใจเหล่านี้ไม่มีตรงไหนปิดบังอัมพางนั้นเกิดตรงไหนก็รู้ทีนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไปกับใจจะเป็นกิเลสพันหาต้นหารอยแปดไม่มีตรงไหนที่มันปิดบังอัมพางเะียกว่ารู้แจ้งรู้แจ้งเรื่องนี้ที่สิ่งต่างเกิดขึ้นกับไปกับใจนี่ก็เ ร, เรียกว่าวิปัสสนา ปัจจนาคือลู่แจ้งไม่สงสัยเลยความหลงเป็นยังไงความไม่หลงไปยังไงความทุกข์ไปยังไงความไม่ทุกข์ไปยังไงความโกรธไปยังไงความไม่โกรธไปยังไงลู่แจ้งจริงๆไม่ลีโลทําลงไปตีแต่ขอโลอต่ดีมันไม่ได้รอไม่ได้มันหลงกับลู่ทันทีหัด หัดอย่างนี้ถ้าหัดเป็นแล้วไม่ต้องหัดอีกมีแต ม, มักมีแต่ผลชีวิตเหล่านี้ก็จบไปซะตื่นจะดึกฉิบตะหนุ่มซะอย่ารอให้เท่าให้แก่้ายเถิดพ่ออย่าลั่งหล่อพายแต่วันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าถ้ามันแกน่มันเท่ามันก็อะไรมันก็ยาก เป็นคนในท่อมตนตเป็นเปิงโตเพื่อนก็ไปเมลเล็กและน้อยอยังชีได้ไงสูงเพื่อนล้มจินหางงายเพื่อนลมตอยห้ายากหลานเด้อเราไม่มีพ่อมีพ่อใหญ่พิมพ่อใหญ่พิมสอนโลกสอนหลานดีดีและแม่ตอนเย็นไว้ไหนที่ว่างๆก็ผันกอกยาให้ ให้พ่อใหญ่เพียงสอนวันดีก็เล่านิทานจวนกันปล่อยิกอยู่เฮือนเหนือเกืออยู่เฮือนใต้หอยแต่ไข่ขยอยู่เฮือนคนหลานเลยพิกอยู่บ้านเซนเหนือเขาเกลืออยู่บ้านใต้หัวแต่ไข่ยอยู่บ้านคนอื่นมันไม่ดีต้องให้อยู่บ้านแล้ว อยากได้บุญก็แปลว่าบุญอาจารย์โนนั่นอาจารย์ น, น, าายนี้เรีรกยกว่าพิชเกี่บ้าันคนอื่นเคยบ้านคนอื่นแต่ใครบ้านคนอื่นอยู่ในเราทําไมไม่มีอาศัยอาจารย์โน่นนั่นดีสํานักนั่นดีสํานักนี่นดีสํานักนั้นไม่ดีให้คนอื่นมีหรือให้คนอื่นดีเหรือทำไมเรามาขี้มาหาตัวเองเนี่ยเราคนหนึ่ง ลูกพก่อนี้แม่นี้เราคนหนึ่งจะต้องทำดีลองขี้ลงมาดูมั่นใจือเจแล้วก็ทำได้นี่สติเราก็มีได้ไปหาบ้านใครอยู่ที่ไหนอาจารย์อะไรอาจารย์อะไรที่ไหนถ้าไม่สอนเรื่องกายเรื่องใจนะ่ะมันก็ไม่ใช่แล้วถ้าจะมี สอนกายสอนใจก็มีสติอันเดียวนเท่านี้ให้เห็นว่าไม่ใช่ตาแล้วสติมันเป็นตาในเป็นหน้าโลกมันจะเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี้เราไปอยู่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นกายกับใจก็อยู่กับเราสติก็อยู่กับเรานั่นแล้วไปไปอยู่ที่ไหนก็ไป ไปเป็นผัวคนเมียคนพ่อคนแม่คนเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นกรรมกรได้ทั้งนั้น้าจะทำนะแต่หมูลุงตานี่ไม่ไปล่ะจะนั่งสอนอยู่เนี่ยจะบอกอยูเนี่ยขอใช้ชีวิตแบบนี้มันสนุกนะการบอกความเท็จความจริงแกผู้แก่คนนะนั่นมีชีวิตชีวาจริงจิงนะโตชิงเข้าบรรมือสองมือ ไม่ต้องกันอะไรจะให้คนมาฟังอยากให้คนมาศึกษาเรื่องนี้จริงๆโอ้มันมันด่วนที่สุดเราะอยากจะบอกว่ามันหลงไม่หลงก็ได้เนี่ยมันโกรธไม่โกรธก็ได้มันทุกข์ไปทุกข์ก็ได้เนี่ยอยากจะบอกอย่างนี้จะเอาไปทําดูมันไม่ทํามันนี่พวกนี้หรือเจ็บตายมันใจจะขาบเนี่ยเอาไปทําก็ได้ เวลามันได้ดีมันไม่มาเวลานี่จะจะไปอยู่ในห้องไอซูไปเยี่ยมคนป่วยจะไปบอกตอนที่มันหายใจเล่าเรือยๆนั่นเ้ย <c oughs> บอกมาแล้วแล้วก็ช่วยได้บางทีนะเราจะรอวันนั้นนะ่ะโอ้ยมันเสี่ยงกันไปจะให้ไปสอนในห้องไอซมันจะได้หรอบางคนสอนไม่ได้นะ่ะ มีคนให้ไปสอนแม่ให้ลูกสาวให้ไปสอนแม่ลูกเขยให้ไปสอนแม่เศรษฐีแถวสามเสนที่หมหาวิเลยเสีย จ, จัดอะหลไรบางเขนดีจัดขายที่ขายทางด้วยเงินเป็นหลายร้อยล้านแล้วก็ใช้เงินแต่ปแต่ปะแม่ลูกสาวลูกเขยบอกก็ไม่อยู่ ไปสร้างพระใหญ่ที่โน่นที่นี่ไปสร้างโบสถ์ร้อยล้านที่โน่นที่นี่ไปทอดผ้าป่าไปทอดกระถิ่นเป็นประธานเอารูปอาผ้ามาอวดไปประธานที่โน่นไปประธานที่นี่นปป ท, น ท, นทอดกระถินเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านมีพระมาสร้างพระพุทธรูปจะไปสร้างให้เสร็จหมดไปแล้วสามสิบล้านยังไม่เสร็จ ตว่าก็มาเอาเงินไปเรื่อยว่าเที่ยวนี่สักสิบล้านก็เสร็จก็ให้ไปแต่ยังไม่เสร็จมาเอาไปอีกบ่นอยู่นอ่งอยู่บ่นอยู่เราไปสอนใม่ฟังเลยไมิเอาเรื่องนี่มาพูดบอกให้ว่าวางมือมาพลิกมือรู้ชีมาพลิกมือไม่รู้อะไรเล ย, เลยบอกให้พลิกมือไปไ ป, ไปจับโอท่าหมาเอากระต่าหมาบาง เอาจับไปจับตาบักพลิกมือไม่รู้เลยทำไม่ได้เลย <laughs> มันเอาไม่ได้จริงๆบางทีนะเป็นๆอยู่นี่ยังเอาไม่ได้นะอะไรคือบุญไปทำางานหรือบุะบุญคือทาให้มันไม่ทุกเนี่ยคำว่าทุกมันเป็นบาปไม่ทุกคือเป็นบุญไม่โกรธเป็นบุญถ้าโกรธเป็นบาปแต่ทุกเนี่มันเป็นยังไงถ้าโกรธเป็นยังไง ก็ไม่โกรธเป็นไงก็ไม่ทุกข์ไงปุ่นเป็นบาปเนี่ยแล้วจะไปเอาอะไรเองเอาอะไรเป็นที่หวังเนี่ยสร้างโอดสร้างพระฐานใหญ่ๆอันนั้นหรือบุญอ่ะบางทีก็ทุกข์อ่ะบุญแล้วเดี๋ยวนี้บุญแล้วไรก็ไม่เชื่จจิตทีไม่รู้วเป็นยังไงลูกสาวเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อบางทีเขามาหลอกแม่ ฟังก็ไปเชื่อลูกสาวเอาเดี๋ยวนี้ก็อีกสักหน่อยก็เฉ็ดเดี๋ยวเฉ็ดละเอาไปอีกสักหน่อย ล, ลูกนะไปเบิกกันไหมลูกสาวลูกเขยก็ก็ช่วยมาละเราสร้างวัดทร ง, งตาอยู่แล้วยองแกลงอำเภอว่านจัทนทงศิลป์เวลาหลังหนึ่งกติหลังหนึ่งเป็นเฉ็ดเบอกว่าไม่ต้องทําก็ได้หม่ไม่ต้องทําก็ได้ เออทำให้มาเฉดได้อยู่สบายสบายเราสร้างแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่อำเภอกลงไม่ได้ไปอยู่เลยอ่าคนได้เดมีพระวัดหนึ่งเขาจุเ่เขีอยากได้มาสวยดีก็ลเลยมาพาเจ้าภาพที่ถวายที่ให้มาหา มาหาก็บอกผมอยากได้ถ้าอาจารย์ไม่สร้างดำเนินต่อไปผมจะขอสร้างมันจะดีอันเป็นวิวดีอันเป็นหลังเนินเขามองลงไปเห็นชายทะเลเดี๋ยวนั้นก็บอ ก, ก, บอกโยมเจ้าภาพไม่พูดไม่จะนั่งน้ําตาซึมอยู่ เอาเจ้าภาพที่ถวายที่ให้มาด้วยชาววัดวัดเขาทูเกีมมาด้วยเจ้าของจังหวัดมาด้วยเอาหลักฐานมาด้วยก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงถามเจ้าภาพก็ไม่พูดจะคำจะให้ใครหลงตาก็หมดสภาพแล้วไม่สามารถที่จะสร้างให้เป็นวัด สำนักปฏิวัติธรรมสาขาหลวงพ่อเทียนได้ตามโภคสงไม่มีโอกาสไปเลยไม่สาเร็จเพื่อให้เจ้าภาพได้สร้างตามโภคสงแล้วแต่เจ้าภาพจะคิดยังไงสำหรับหลวงพ่อเนี่ยทำไม่ได้แล้วมันมีหลายที่แต่อยู่แถวเนี้ยก็ตั้งสามที่แล้วใช่ไหมโูขโทองสุกตูมหาวันใช่ไหมวิม <laughs> ก็เลยไม่ได้มีโอกาสตายเอาอย่างนี้จะถามเจ้าภาพก็ไม่พูดเลยเอาโฉนดที่ดินน่ะมาเซ็นท่ามหลังแน่ว่าของอบโฉนดที่ดินคืนให้เจ้าของไม่สามารถที่สร้างวัดให้สําเร็จตามโควงสงเจ้าภาพตายมาขึ้นไปแบบแล้วแต่เจ้าภาพจะให้ใคร เอนาเจ้าอาวาสวัดเขาจิ้มก็ไม่พูดเลยเพราะเราพูดตัดไปหมดเลยถ้าเราจะไปให้พอไม่ถูกต้องเึีงขอมอบโฉนดที่ดินใบนี้ให้แเจ้าของคืนปไปางี๋ยวก็ามาเองมาถามเป็นไงสร้างวัดสําเร็จหรือ ย, อยังถามเจ้าของไ ม, ไ, มอ ไ, <laughs> ไ, มไม่สำเร็จเลยพระไม่ดีเราเชื่อแล้วว่าพระไม่ดีไม่สําเร็จเลย ปะไม่ดีผมจะให้กันไปแต่นี่มีใครเสนอให้ที่วัดทํำไมไม่เอาแล้วอาจารย์ตั้งศีนบอกว่าเชียงรายจะให้ที่นั่นที่นี่เอาแ้วอาจารย์ตั้งศีนยาวเพราะะนี่อะไรที่มันเป็นบุญไปล้อนั้นบางทีแล้วไปสอนคนแก่เนี่ยนั่งอยู่เป็นชั่วโมงไม่รู้เรื่องเลย มีแต่พูดเรื่องพกรภาป่ามีพูดเรื่องประธานเอารูปภาพต่างๆมาให้ดูน่นโดวเป็นประธานที่นุน่นตผ้าอะไรมามัดให้พลงพลังกันหมดเลยพวัทธาป่าทอกะถินะบนุญอะไรเมบุญให้มันรู้เนี่ยตัวรู้ภาวาที่รู้ดูแลกายใจให้มันดีเนี่ย จะให้ม่มีทุกข์ไมีโทษเกิดขึ้นอย่าก่ยจากใจเราถ้าเราดูแลตัวเองปลอดภัยดีแล้วคนหนึ่งก็ปลอดภยัยแล้วก็มีหน้าที่เป็นสัตว์สังคมมีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียมีพี่มีน้องมีงานมีการยิ่งเป็นหมอยิ่งเป็นพันบา์นี่ที่ว่างานงานของพระงานวุ่นทำลงไปด้วยใจบริสุทธ ได้ใจบริสุทธิ์งานบุญเหมือนกันสนุกใครก็ต่อมีหน้าที่ทุกคนอยู่ถ้าไม่ทําเป็นคนอื่นก็มาทําอยู่เนี่ยเพื่อเป็นคนอื่นไปบอกคนอื่นอย่างนั้นเราต้องเริ่มตุ้นจากตัวเราสงบสักคนหนึ่งนะไม่มีปัญหาไม่บี่เบียนตนเองไม่บี่เบียนคนอื่นเนี่ยแน่นอนที่สุด ไม่บีบเบียนตัวเองไม่บีบเบียนคนอื่นในชีวิตนี้ในชาตินี้จะมีชาติอีกกี่ชาติก็จะอยู่อย่างนี้แล้วก็จะบอกคนเขาจะอยู่ถ้าตายไปแล้วไปอยู่นรกก็จะมีโอกาสสอนว่าสอนพวกสัตว์นโลกแบบนี้ถ้าจะไปอยู่สวรรค์ก็จะสอนแบบนี้จะอยู่ที่ไหนก็จะสอนถ้ามีคนถ้าสัตว์หรือฉานเนี่ยอาจจะสอนไม่ได้ เพราะว่าไม่ใช่มนุษย์มนุษย์เท่านั้นที่ดู้เรื่งนี้ได้ไม่ใช่สัตเบญจชาติยิ่งโศมนุษย์สติปริลาโผการเกิดเป็นมนุษย์ปปเป็นลาบเป็นเเสดนี่คือมันมีมรรคเป็นผลมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นรูเ น, เนี่ยมันเป็นมรรคเป็นผลแล้วจากหลงเป็นรูแล้วผลแล้วจากโกรธเป็นไม่โกรธแล้วจากทุกข์เป็นไม่ทุกข์แล้ว ก้าแรกต้องไปจากนี้ก่อนต่อให้คุณเจ๊แจ้สู้ตรง น, นี้กดถ้าหลุดไปจากนี้ก็ไปเลยเดวไไม่มีด่านกักแล้วเริ่มต้นก็มีหลักกายนุปัฏ น, นาสติปัฏฐานอะไรที่เกิดกับกว่าหลักก็เฉลยไปได้กายสุขว่ากายไม่ใช่จัตตุกุลตัวตนเราเขาเอาพระพุทธเจ้าเฉลยไป สร้างแนวทางไปก่อนให้กระเสไปก่อนแม่ยังไม่ลงตัวก็ดำเนินไปก่อนเช่นทางมันบอกตรงนั้นเหมือนทางสองศูนย์อะไรถ้าจะไปกรุงเทพไปเช่นข้ อ, นอหนึ่งสองศูนย์อะไรจับไปก่อนถึงกรุงเทพแน่นอนหมายเลขกันไปอย่างนั้นเราไม่เชื่อเราไม่เคยไปแต่ตามไปก่อน เอาหมายเลขไปก่อนสองสูนยสี่เลย <laughs> มีหมายเลขนะทั้งหลวงประเทศไทยเนะี่ยถึงไหนถึงไหนเส้นที่ไปสู่มรรคสูผลนอยน่อนปัจนาสถิประทานาาตายจากว่ากายไม่ใช่สักรปุกคนวตตนโลโคอะไรที่เกิดกับกายเอามาเป็นทวัวเป็นตนไม่สุกก็ทุกข์สุกทุกข์ไม่ได้ฉักพ่อจักพา เวทนาที่มันเป็นสุกุตุสักว่าอย่าเป็เอาบาสุทุตุคิดที่มันคิดก็อย่าให้มันสุกุตุสักว่าจิตทมที่มันเกิดอะไรขึ้นบางความง่วงเหงาหานอนเป็นกุศลเป็นอกุศลก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์ปุกลไปก่อนไปก่อนต่อไปมื่ชำนาญจะได้เห็นเมื่อมันถึงแล้วมันจึงจะเห็นมีแล้วจึงเห็นเป็นแล่วจึงรู้ เหมือนพวกเรามาสุขโตนี่แหละสุขโตบรรยากาศแบบนี้แต่ก่อนยังไม่มาแต่ว่าโอ้รู้นะเอาเบอแจ้งโคจังบัญชีผมมามาถึงเราจึงรู้ว่าดีสุขโตบรรยากาศสุกโตเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดมันสัมผัสแล้วสัมผัสอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็ได้ปะเนี่ยอยู่ในโลกไหนก็ได้ถ้าสุขโตก็อยู่ที่นี่ นี่มันสัมผัสเห็นมีเล่อาจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้แล้วอยู่ที่นีนแล้วมรรคผลให้พังเราเช่นกันศีลก็เหมือนกันมีศีลเราจึงรู้ว่าตัวยังมีศีล น, นะไม่ใช่ศีลสมาทานศีลสมาทานไปขอเอาปรม า, า, านี้ปัจจิกาประธานในสมาธิยมมามิปรมานี้อัตติกาประธานในสมาธิยามี มาในธาตสาัจฉาประธานในสมาธิไม่สิ้นห้าสิ้นแปดสิสิบสมาธิไม่สมาทานสิบข้อห้าข้อแปดข้ออันสิ้นสมาทานแบบนั้นไม่จริงอันสินสิจฉาสินที่ไปสูมมติสุผลมีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้มีศิ้นแล้วจึงเห็นว่าอ้อีสิ้นรักษาเรามาแล้วสมาธิช่วยเราาาช่วยเรามาหลุดมาได้ เลยเป็นโทษให้เป็นโทษหรอกศีลมาช่วยหนักแน่นมีสติอัญญามาช่วยนี่เรียกว่าฉึกขานศีลฉึกขานไม่ต้องมาขอสร้างเอาได้ให้มันลู่ไปเน่ยสัมผัสเรามันหลงลู่มันทุกลู่มันโกรกลู่มันอะไรต่างๆจากหลักสูตรเนี่ยกายสังวรกายเวทนาสังวรเวทนา จิตวัสิรร์จิตทสวัส ร, ริ์รรหลุดไปเลยเมื่อหลุดไปจึงเห็นโอ้มันหลุดมาแล้วติตได้มีศิลแล้วมีสติก็ละความชั่วแล้วมีสติก็ทําความดีแล้วมีสติก็เกิดจิตบริสุทธิ์แล้วมีสติก็เป็นศินแล้วมีสติก็เป็นสมาธิแล้วมีสติก็เป็นปัญญาแล้วไปเป็นพวงเลยน้อย ไมใช่ยากแต่ว่าลึกซึ้ ง, งไม่ใช่ลึกหลับลึกซึ้งศาสนานี่ยคำสอนของศาสนาลึกซึ้งสัมผัสได้เลยยิ้มในเวลามันยิ้มไม่ออกเวลาใดที่มันโกรธมันถ้ามัเห็นเราลึกซึ้งเนี่ยโอ้ยหัวรอความโกรธแค่นี่ก็โกรธหรือเราเนี่ยเป็นพ่อคนแม่คนแล้วเป็นผัวคนเป็นเมียคนแล้วแค่นี้ก็โกรธเรา จะอยู่ด้วยกันได้หรื อ, อใช่เนี่ยเขาโกรธเหยงตาเห็นว่ราหูได้ยินโกรธแล้วไอ้อะไรเป็นใหญ่ไปให้เขาซัดไปอารมณ์มันเหมือนคลื่นคลื่นมันอยู่ในน้ำไม่ใช่น้ำนันเป็นคลื่นเพราะเันคลื่นเพราะอะไรเพราะมีลมมาผัดอย่าไปเอาคลื่นเป็นน้ำอารมณ์อย่า ม, มาเป็นใจพราะโกรธจะเป็นใจ เป็นอารมณ์ั้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นมันไม่มีแต่เดิมอยู่แล้วแต่มันยกขึ้นขึ้นมาเป็นโฆโฆความโกรธความรักความเกลียดชังอย่าทําตามมันไม่เห็นมาสักแต่ว่าอย่างเนี้ยไ่เย็นอก